ที่หลังทั้งทั้งที่รักเธอแต่มาที่ลังและเขาก็รักเธอฉันไม่อาจห้ามใจยังไงก็ไม่ไหวฝืนทนอยู่รักความจริงไปอย่างนี้ก็น่าจะรู้ ว่าเธอนั้นมีใครมอก่อนหน้าฉันกับเธอจะพบกันฉันรู้ดีกัใจมันจะลงเอยอย่างไรแต่ถ้ารักเธอต้องรอ ใจ เธอนั้นมีใครมาก่อนหน้าฉันกับเธอจะพบกันฉันรู้ดีแต่ใจมันจะลงเอยอย่างไรแต่ถ้ารักเธอต้อง แล้วฉัน แล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหน b u t